วันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่หกันยายนพุทธศักราช2563สาเป็นวันที่ท่านทั้งหลายมีเวลาว่างจากภารกิจการงานต่างๆจึงได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาทำบุญเพราะบุญนี้เป็นทรัพย์ที่เราเอาติดตัวไปได้ เรียกว่าเป็นทรัพย์ภายในทรัพย์ภายนอกคือทรัพย์ทางร่างกายนี้เราเอาติดตัวไปไม่ได้หลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วมีเงินทองกี่ล้านกี่แสนกี่หมื่นเอาไปไม่ได้แม้แต่บาทเดียวแต่ทรัพย์ภายในนี้เราสามารถเอาไปได้หมด แล้วก็ทรัพย์ภายในนี้มีอยู่หลายระดับด้วยกันมีระดับเทวทรัพย์พรหมรทรัพย์ อ, อริยทรัพย์เป็นทรัพย์ที่จะให้ความสุขแก่จิตใจป้องกันความทุกข์ต่างๆไม่ให้เกิดขึ้นภายในจิตใจ การได้มาเกิดเป็นมนุษย์ถือว่าเป็นภพที่ประเสริฐที่สุดเพราะเป็นภพเดียวที่สามารถมาสร้างทรัพย์ต่างๆได้ถ้าไปเกิดอยู่ในภพอื่นเป็นภพที่ไปรับผลไปเป็นภพที่ไปใช้ทรัพย์ที่เราได้มาสร้างกันสะสมกันในขณะที่เราเป็นมนุษย์กัน และถ้าได้มาเกิดในยุคของพระพุทธศาสนายิ่งถือว่าเป็นโชคอันมาอันเสรตเพราะว่าถ้าต้องการสร้างอริยทรัพย์นี้ต้องมีพระพุทธศาสนาเป็นผู้สอนเป็นผู้บอกถ้าไม่มีพระพุทธศาสนาก็จะสามารถสร้างได้แค่ ระดับพรหมระสั์เทวระสัพ์แต่จะสร้างอริยสัพน์นี้จะสร้างไม่ได้เพราะไม่มีใครรู้ว่าวิธีที่จะสร้างอริยสัพน์นี้สร้างอย่างไรถ้ายังไม่ได้อริยสัพน์จิตใจีก็ยังจะต้องเวียนว่ายตายเกิดต่อไปยังต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตาย อยู่เรื่อยๆถึงแม้ว่าจะได้ไปเกิดอยู่ในสวรรค์ชั้นพรหมหรือในสวรรค์ชั้นเทพก็ตามแต่สวรรค์ชั้นพรหมและสวรรค์ชั้นเทพนี้ก็เป็นสวรรค์ที่ไม่ถาวร mm hmm. เมื่อได้ใช้บุญที่สร้างทรัพย์เหล่านี้หมดไปแล้ว ก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่กลับมาแก่มาเจ็บมาตายใหม่กลับมาทุกข์กันใหม่แต่ถ้าได้มาเกิดในยุคที่มีพระพุทธศาสนา<ม>ก็จะสามารถสร้างอริยสัพ์ได้ถ้าได้อริยสัพขั้นสูงสุด<ม>คือขั้นพระอหรหันต์ขั้นพระนิพพาน จิตก็จะไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดเด็กต่อไปเพราะอริยทรัพย์นี้ไม่เสือ่อมเหมือนกับเทวทรัพย์หรือพรหมศัพย์นั่นเองดังนั้นชาตินี้ของพวกเราจึงถือว่าเป็นชาติที่ประเสริฐเป็นโชคลาภอันมหาศาลยิ่งกว่าถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งองีก เพราะว่าเงินรางวัลที่ได้จากการถูกรตเตอรีร่รางวัลที่หนึ่งก็เป็นทรัพย์ชั่วคราวทรัพย์ที่เราใช้ได้ในขณะ ท, ที่เราเป็นมนุษย์เท่านั้นแต่หลังจากที่เราตายไปแล้วเราก็ยังต้องไปเวียนว่ายตายเกิดต่อไปแต่ถ้าเราได้อริยทรัพย์นี้เราจะได้ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิด ถ้าได้อริยศรัพย์ขั้นที่หนึ่งคือขั้นพระโสดาบันก็จะกลับมาเกิดไม่เกินเจ็ดชาติถ้าได้ขั้นที่สองขั้นพระสะกิรดาคามีก็จะกลับมาเกิดอีกเพียงหนึ่งชาติกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกหนึ่งชาติเป็นอย่างมากแล้วถ้าได้ขั้นที่สามขั้นพระอนาคามี ก็จะไม่ต้องกลับมาเกิดในโลกของมนุษย์ต่อไปแต่จะไปเกิดที่โลกของพรหมแล้วก็จะบรรลุถึงพระนิพพานตามลําดับต่อไปเมื่อถึงขั้นพระนิพพานแล้วก็ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดในตใจพบอีกต่อไปตใจพบก็คือ กามาพบรูปพบและอรูปพบนกามภพบคือพบของผู้ที่ยังเสพกามยังเสพรูปเสียงกยลิ<ม>่นรสเช่นพวกเรานี้<ม>พวกเราเกิดในกามาพบกันพบมนุษย์นี้เรียกว่ากามภพบเช่นเดียวกับพบของเทวดาถึงแม้ว่าจะไม่มีร่างกายแต่เทวดาก็ยังมีตาทิพหูทิพ ไว้เสบรูปทิพเสียงทิพอยู่นี่คือกามาพบรูปภพก็คือภพของผู้ที่เสบรูปประชานผู้ที่ฝึกสมาธิเข้าสู่รูปประชานขั้นต่างๆได้เวลาตายไปก็จะไปเกิดในรูปภพคือเป็นสวรรค์ชั้นพรหมได้เป็นรูปประรม ส่วนผู้ที่ได้รูปอรูปฌานก็จะได้ไปเกิดในอรูปภพได้ไปเป็นอรูปรภพซึ่งเป็นภพที่มีความสุขที่สูงสุดของตายภพภพของอรูปภพนี้เป็นความสุขที่สูงกว่าภพของรูปภพภพของรูปภพนี้ก็เป็นความสุขที่สูงกว่าเทวภพน ภพของเทวภพก็มีความสุขสูงกว่ามนุษยภพคือภพของพวกเราภพของมนุษย์นี้ก็มีความสุขมากกว่าภพของเดละฉานของเปรตของอสุรกายของนรกนี่คือตายภพที่จิตใจของพวกเรายัางติดยังต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในภพต่างๆเหล่านี้ จะไปสู่พบไหนก็ขึ้นอยู่กับบุญและแบาปที่เราทํากันในขณะที่เรามาเป็นมนุษย์นี่เองถ้าเราทําบุญไม่ทําบาปเราก็จะไปสู่เทวพบกันแล้วถ้าเราฝึกนั่งสมาธิได้รูปปัจจานเราก็จะไปสู่รูปปัจพบแล้วถ้าเราฝึก สมาธิจนได้อรูปฌานเราก็จะได้ไปสู่อรู ป, ปรพบแล้วถ้าเรามาเกิดในยุคที่มีพระพุทธศาสนาเราก็จะได้มาสร้างอริยพบกันสร้างพบของพระอริยเจ้าซึ่งเป็นพบที่จะไม่เสื่อมเหมือนกับพบของของพรหมหรือของเทวดา จะสร้างอริยทรัพย์ได้ก็ต้องมีพระพุทธศาสนาเช่นในยุคนี้มีพระพุทธศาสนามีพระพุทธมีพระธรรมมีพระสงฆ์ที่จะคอยสอนให้เราสร้างอริยทรัพย์กันการจะสร้างอริยทรัพย์นี้นอกจากการทำบุญทำทานรักษาศีลแล้ว นั่งสมาธิแล้วก็ยังต้องมีขั้นปัญญาอีกขั้นนึ่งขั้นดวงตาเห็นธรรมต้องเห็นสัตว์จะทำความจริงความจริงที่ดึงให้สัตว์โลกยังต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดในตายพบอยู่เหตุที่พวกเรานี้ยังต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดในตายพบ ก็เพราะว่าเรามีตัวที่คอยฉุดให้เรากลับมาเกิดกันตัวที่ฉุดให้เรามาเกิดกันนี้เรียกว่ากิเลสตัณหาโมหะอวิชชาหรือความอยากสามประการด้วยกันได้แก่ความอยากเสพรูปเสียงกลิ่นรสผลทพะเช่นการอยากดูอยากฟัง อยากลิ้มรส ด, ดมกลิ่นความอยากเหล่านี้จะทำให้เราต้องมามีร่างกายกันเพราะการจะเสบรูปเสียงกลิ่นรสผดภะพาได้เราต้องมีตาหูจมูกลิ้นกายถ้าเราไม่มีตาหูจมูกนิ้นกายเราจะไม่สามารถที่จะเสบรูปเสียงกลิ่นรสได้ดังนั้นพอเรา <c oughs> ตายจากโลกนี้ไปแล้วหลังจากที่ไปใช้บุญใช้บาปเสร็จแล้วเราก็จะกลับมาหาร่างกายอันใหม่พอมมีพ่อแม่คนใหม่สร้างลูกขึ้นมาในท้องเราก็ไปจับจองเป็นเจ้าของแล้วพอร่างกายคลอดออกมาจากท้องแม่จเจริญเติบโต เราก็ใช้ร่างกายนี้ตอบสนองความอยากของเราตอบสนองความอยากการเสพรูปเสียงกลิ่นรสความอยากมีอยากเป็นเช่นอยากร่ำอยากรวยอยากเป็นใหญ่เป็นโตอยากสวยอยากงามเป็นต้นแล้วก็ตอบสนองความอยากไม่มีอยากไม่เป็น คืออยากไม่จนอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายเราก็พยายามใช้ร่างกายที่เราได้นี้มาเพื่อทำตามความอยากต่างๆเหล่านี้เพราะถ้าเราไม่ได้ทำตามความอยากแล้วใจของเราจะมีความทุกข์กันเวลาเกิดความอยากขึ้นมาแต่ละครั้งใจของเราจะวุ่นวายจะไม่สงบ จำมีความรู้สึกหงุดหิดลำคาญใจหรือมีความรู้สึกเศร้าส้อยหงอ ย, งอยหเหงาว้าเวต้องไปทาตามความอยากความรู้สึกไม่ดีถึงจะหายไปแต่หายไปชั่วคราวแล้วเดี๋ยวก็เกิดความอยากขึ้นมาใหม่พอความสุขที่ได้มาหมดไปก็อยากจะได้ใหม่ ก็เกิดความรู้สึกไม่สบายอกไม่สบายใจใหม่เนี่ยความอยากมันเป็นตัวที่ทำให้ใจเราต้องไปทำตามความอยากอยู่เรื่อยๆพอร่างกายนี้ตายไปความอยากนี้ก็จะพาให้ร่างกายเราไปพาจิตใจของเราให้ไปหาร่างกายอันใหม่ต่อไปแล้วพอเรามาเกิดแต่ละครั้ง เราก็ต้องมาแก่มาเจ็บมาตายกันมาทุกข์กับเหตุการณ์ต่างๆอย่างที่เรากำลังทุกข์กันอยู่ในขณะนี้เราจะไม่สามารถหนีพ้นจากความทุกข์ต่างๆได้เพราะโลกนี้เป็นโลกของความทุกข์นั่นเองถ้ามาเกิดแล้วทุกคนจะต้องเจอความทุกข์กันทุกจากความแก่ทุกจากความเจ็บทุกจากความตาย ทุกจากการพลดพลาดจากสิ่งที่เรารักเราชอบบุคคลที่เรารักเราชอบทุ ก, กับการที่จะต้องไปประสบกับสิ่งที่เราไม่ชอบกัน <Yeah. S 1> นี่เป็นเรื่องของโลกนี้ <Yeah. S 1> ถ้าไม่ต้องการที่จะต้องมาเจอกับความทุกข์เหล่านี้ <c oughs> ก็จำเป็นที่จะต้องไม่กลับมาเกิดเท่านั้น แลการที่จะไม่กลับมาเกิดได้ก็ต้องหยุดต้นเหตุที่ดึงให้เรามาเกิดกันที่ผลักดันให้เรามาเกิดกันก็คือหยุดความอยากทั้งสามนี้กามะตัณหาความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสผลพพะภาวะตัณหาความอยากมีอยากเป็นวิภาวะตัณหาความอยากไม่มีอยากไม่เป็น ให้หมดไปจากใจให้ได้และการที่จะทำให้ความอยากเหล่านี้หมดไปได้ก็ต้องอาศัยการปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้านั่นเองซึ่งพระองค์ก็ทรงสอนให้ทำทานกันให้รักษาศีลกันให้ฝึกสมาธิกัน แล้วก็ให้สร้างปัญญาขึ้นมากันเพราะเครื่องมือเหล่านี้จะเป็นสิ่งที่จะทำให้ความอยากต่างๆที่มีอยู่ในใจของเราให้หมดสิ้นไปแล้วจะทำให้เราจะไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายต่อไปเพราะจะทำให้เราได้ไปที่พระนิพพานกัน นั่นเองอันนี้จะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อเราได้มาเกิดเป็นมนุษย์และได้มาพบกับพระพุทธศาสนาถ้าได้มาเกิดเป็นมนุษย์แต่ไม่ได้พบกับพระพุทธศาสนาก็จะไม่รู้จากทางไปสู่พระนิพพานเช่นโลกนี้เป็นโลกที่มีหลายประเทศด้วยกันคนบางคนไปเกิดในประเทศที่ไม่มีพระพุทธศาสนา เขาก็ไม <els> yeah, so ่รู้เรื่องเรื่องของพาณิพาน์เรื่องของการเย็นว่าตายเกิดกันแต่ถ้ามีคำสอนเผยแผ่ไปถึงประเทศไหนคนที่อยู่ในประเทศนั้นถ้าได้มีโอกาสได้ศึกษาพระธรรมคำสอนก็จะได้เรียนรู้ว่าการที่จะทำให้ความทุกข์ทั้งหลายหมดไป นั้นทำอย่างไร <Yeah. S 1> พอเขาได้เรียนได้ศึกษาแล้ว <Yeah. S 1> เขาก็อยากจะปฏิบัติ <Yeah. S 1> การปฏิบัตินี้ <Yeah. S 1> ก็ต้องไปปฏิบัติในประเทศที่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ <Yeah. S 1> เป็นครูเป็นอาจารย์ห <Yeah. S 1> นังสืออย่างเดียวนี้อ่านแล้วบางทียังไม่พอเพียง <Yeah. S 1> <Yeah. S 1> เพราะว่ายังขาดสถานที่ฝึกหัด สถานที่ปฏิบัติเช่นชาวชาวต่างชาตินี่ที่เขาได้ศึกษาคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าในหนังสือที่แปลเป็นภาษาของเขาหลังจากที่เขาได้ศึกษาได้อ่านแล้วเขาก็อยากจะปฏิบัติแต่ที่ประเทศของเขานี้ไม่มีที่ปฏิบัติกันไม่มีคนปฏิบัติกัน เขาก็เลยต้องเดินทางมาที่ประเทศไทยหรือประเทศศรีรังการหรือประเทศที่มีวัดมีการปฏิบัติประเทศพม่าเป็นต้นเขาถึงจะได้ได้ศึกษาอย่างจริงจังและได้ปฏิบัติเพื่อให้ได้ถึงพระนิพพานได้เแทนพวกเรานี้ถือว่าเราโชคดี เราเกิดมาเหมือนกับอยู่บนกองเงินกองทองของพระนิพพานนะไม่ต้องอเดินทางไกลเหมือนกับชาวต่างชาตินะชาวต่างชาตินี่เขาต้องมาจากจากทิ้งบ้านทิ้งเรือนของเ้าทิ้งญาติพี่น้องของเข า, า, ข เ, ขาเพื่อที่จะมาศึกษาและมาปฏิบัติ แต่สาเหตุที่ทําให้เขามาก็เพราะความศรัทธาความเชื่อในพระธรรมคําสอนอันประเสริฐของพระพุทธเจ้าเพราะเขาพวกเขานี่เป็นพวกที่เจริญทางด้านวัตถุกันเขาล่ํารวยกับพวกเรามากทางด้านวัตถุทางด้านข้าวของเงินทองแต่เขากลับเห็นว่าข้าวของเงินทองต่างๆนี้ ไม่สามารถกำจัดความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจของเขาได้เลยนอกจากไม่กำจัดแล้วยังกลับทําให้เกิดมีความทุกข์มากขึ้นไปเสียอีกยิ่งมีทรัพย์สมบัติมากยิ่งกลับมีความทุกข์มากเพราะจะมีความรักความหวงมากขึ้นไปตามลำดับแต่พอเขาได้ศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า ได้ศึกษาประวัติของพระพุทธเจ้าเห็นการประพฤติปฏิบัติของพระพุทธเจ้าที่เป็นพระราชโชรสเป็นคนร่ำรวยเหมือนกับพวกเขาแต่ก็ยังต้องสละราชสมบัติแล้วก็ไปอยู่แบบน่าปวดไปอยู่แบบขอทานอยู่แบบคนยากจนเพื่อที่จะได้ปฏิบัติธรรมได้อย่างสมบูรณ์ เขาก็เลยเกิดศรัทธาเดินทางจากบ้านช่องบ้านเรือนของเขาแล้วก็มาอยู่ในประเทศที่เขาไม่เคยมาอยู่ก่อนมาอยู่ในประเทศที่ไม่ได้ที่ภาษาเขาก็พูดไม่ได้อาหารการกินก็เป็นอาหารที่เขาไม่เคยกินมาก่อนแต่ด้วยความศรัทธา ด้วยความปรารถนาที่อยากจะหลุดพ้นจากความทุกข์ที่มีอยู่ในใจของเขา เ, <Yeah. S 1> เขาเห็นแล้วว่าทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองต่างๆ mm. นี้ไม่สามารถที่จะกำจัดความทุกข์ภายในใจของเขาได้ <Yeah. S 1> เขาก็เลยยินดีที่สละความสุขของทรัพย์สมบัติเหล่านั้นไป <Yeah. S 1> แล้วมา ทนทุกข์ทรมานกับการมาบวชเป็นพระอยู่ในประเทศที่เขาไม่เคยชินอากาศก็ร้อน ม, ม, มีมดมีแมลงอะไรต่างๆบ้านเมืองเขานี้อากาศสบายเย็นสบายไม่ค่อยมีมดมแมลงอะไรมาคอยรังควานนี่ปัญหาของคนชาวต่างชาติที่มาบวชที่เขามาเล่าให้ฟังว่า อากาศหนึ่งอาหารหนึ่งมแมลงสว์กัดต่อยหนึ่งอต่างๆเหล่านี้เป็นอุปสรรคมากต่อการ <c oughs> ปฏิบัติแต่เนื่องจากความศรัทธาและความบุ้งมั่นต่อพระนิพพานต่อการหลุดพ้นจากความทุกข์ยึงทำให้เขานี้อดทน และฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆไปพวกเราหล่านี้โชคดีพวกเราเกิดในประเทศนี้เราได้ถูกฝึกฝนอบรมให้ชินกับอากาศกับอาหารกับมาลางสา์กัดต่อยต่าง ๆ, ๆเราจึงไม่ค่อยมีปัญหากับเรื่องราวเหล่านี้เท่าไหร่เราไม่ต้องปรับตัวเหมือนเขาเราจึงถือว่าพวกเหล่านี้เป็นพวกที่ มีโอกาสที่จะได้เข้าถึงพระนิพพานง่ายกว่าพวกที่อยู่ต่างชาติพวกที่เป็นคนต่างชาติพวกเราจรึงควรที่จะยินดีกับการศึกษากับการปฏิบัติตามพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้าเรายังไม่ เห็นคนประโยชน์ของพระนิพพานของการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายก็ขอให้เรามันพิจารณาความจริงของร่างกายของเราอยู่เรื่อยๆพระพุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเรานี้พยายามลำลึกอยู่เรื่อยๆว่า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 ว่าถ้าเราลำลึกถึงความจริงเหล่านี้เราก็จะได้เห็นความทุกข์ที่จะคอยเราอยู่ข้างหน้านี้ <Yeah. S 1> แล้วถ้าเราไม่รีบศึกษาไม่รีบปฏิบัติกัน <Yeah. S 1> เราก็จะ <c oughs> ไม่สามารถที่จะศึกษาหรือปฏิบัติทำได้ในช่วงที่เราแก่เราเจ็บหรือเราจะตายกัน แล้วโอกาสอันดีของการที่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์มามีโอกาสที่จะมาสร้างทรัพย์ต่างๆก็จะหมดไปตอนนี้เราแข็งแรงสมบูรณ์แต่วันข้างหน้านี้เราต้องพบกับความแก่พบกับความเจ็บพบกับความตายด้วยกันทุกคน พระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้พวกเราหมั่นระลึกถึงความแก่ความเจ็บความตายอยู่เรื่อยๆเพื่อที่เราจะได้ไม่ประมาทนอนใจไม่ไปคิดว่าเราจะสมบูรณ์แข็งแรงเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยเพราะความเจ็บไข้ได้ป่วยก็ดีความตายก็ดีนี้มันไม่มีตารางไม่เหมือนกับความแก่ ความแก่นี้ยังมีตารางเวลาว่าต้องอายุเท่านั้นเท่า น, นี้ถึงจะแก่แต่ความเจ็บไข้ได้ป่วยความตายนี้มันจะมาในอายุไวไัยใดก็ได้แล้วเวลามาแล้วนี่โอกาสที่เราจะได้มาสร้างทรัพย์ภายในต่างๆให้กับเรานี้ก็จะไม่มีจะหมดไป แล้วเวลาเราไปเราก็จะไปแบบลำบากไม่มีทรัพย์ติดตัวไปแต่ถ้าเราเตรียมทรัพย์เอาไว้ก่อนเพื่อความไม่ประมาทเพราะเราไม่รู้ว่าเราจะเจ็บไข้ได้ป่วยเมื่อไหร่จะพิกลพิการขึ้นมาเมื่อไหร่หรือจะตายเมื่อไหร่เราไม่รู้กันดังนั้นตอนนี้ เรายังแข็งแรงอยู่เรายังมีเวลาอยู่เรายังทะเรายังสร้างทรัพย์ภายในได้อยู่ให้เรารีบมาสร้างทรัพย์ภายในกันดีกว่าอย่ามัวหลงแต่สร้างทรัพย์ภายนอกอย่ามาอย่ามัวหลงกับการหาความสุขผ่านทางร่างกายที่เป็นความสุขชั่วคราวที่เป็นทรัพย์ชั่วคราว พอร่างกายเราตายไปเราไม่สามารถเอาความสุขทางร่างกายหรือทรัพย์ของทางร่างกายไปกับเราได้ชีวิตของเราไม่ได้มีเพียงแค่ร่างกายนี้เท่านั้นชีวิตของเรานี้อยู่ที่จิตใจที่ไม่มีวันตายจิตใจของเรานี้หลังจากที่ร่างกายตายไปจิตใจก็จะอาศัยร่างกายเป็นเครื่องมือ หาทรัพยาความสุขให้กับเราไม่ได้เราก็ต้องอาศัยทรัพย์ภายในที่เราสะสมกันไว้ในขณะที่เรายังไม่ตายกันดังนั้นเราจึงควรที่จะเอาเวลาว่าจากภารกิจที่จำเป็นเรามีภารกิจที่จำเป็นต้องทําเราก็ทําไป เพราเรายังต้องมีการเลี้ยงชีพแล้วก็มีการหาความสุขทางร่างกายอยู่เราก็แบ่งไปส่วนหนึ่งแต่อีกส่วนหนึ่งเราก็ควรจะแบ่งมาสร้างทรัพย์ภายในกันอย่าไปแบบไม่มีทรัพย์ภายในติดตัวไปเพราะเราจะไปเป็นแบบขอทานเนีย่ยเวลาที่เราทําบุญ เสร็จแล้วเรากรวดน้ำอุทิศบุญนี่ก็อุทิศให้พวกที่ไม่มีทรัพย์ภายในติดตัวไปแต่พวกที่เขามีทรัพย์ภายในติดตัวไปเขาก็ไม่ต้องมารอรับบุญเขาไม่เป็นขอทานบุญแต่เขาจะเป็นเศรษฐีบุญันดังนั้นเพื่อความไม่ประมาทวันไหนที่เราสะดวกวันไหนที่เราว่างเราควรที่จะมาวัดกัน มาศึกษาวิธีสร้างรั์ภายในแล้วก็พยายามสร้างรั์ภายในกันตามขั้นตามลำดับเบื้องต้นท่านก็สอนให้เราสร้างเทวรั์ก่อนซั์ของเทวดาคือสร้างสวรรค์ขึ้นมาภายในใจวิธีที่จะทำให้ใจเราเป็นสวรรค์ใจของเราเป็นเทวดาหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้ว ก็คือการทําบุญทําทานควบคู่กับการรักษาศีลห้าต้องทําทั้งสองอย่างอย่าเพียงทเพียงแต่ทําบุญทําทานอย่างเดียวเพราะถ้าไม่รักษาศีลห้านี้เรายังจะไปสวรรค์ไม่ได้เพราะถ้าเราทำบาปเนี่ยบาปจะดึงให้เราไปอาบายก่อนแทนที่จะไปเกิดเป็นเทวดา เราก็ไปเป็นเปรตแทนหรือไปเกิดเป็นเดรัจฉานถ้าเราไม่รักษาศี่ห้าอย่างนั้นต้องรักษาสีนห้าด้วยแล้วก็ต้องทำบุญทาทานด้วยถ้ารักษาศี่ห้าอย่างเดียวไม่ได้ทำบุญทาทานก็ยังไม่ได้ไปสวรรค์เช่นเดียวกันจะได้แค่เป็นมนุษย์ต่อไปถ้ารักษาศีลห้าได้นี้ ก็จะรักษาความเป็นมนุษย์ไว้ทำให้จิตใจไม่ตกต่ำไปกว่าการเป็นมนุษย์ถ้าไม่รักษาสี่ห้าจิตใจก็จะต่ำลงจากการเป็นมนุษย์ไปเป็นเดรัชานถ้าทำบาปด้วยความหลงถ้าทำบาปด้วยความโลภ ก, ก็ไปเป็นเปรตถ้าทำบาปด้วยความกลัวก็ไปเป็นนสุนลกาย ถ้าทำบาปด้วยความอาฆาตพยาบาทก็ไปนรกนี่คือที่ไปของผู้ที่ทำบาปด้วยเหตุผลสี่ประการด้วยก็คือความหลงความโลภความกลัวและความโกรธ <Yeah. S 1> พวกเราเวลาทำบาปกันเรามักจะทำเพราะตอนที่เรามีอารมณ์ไม่ดีกั <Yeah. S 1> นเช่นเวลาเราโกรธใครเราก็จะทำร้ายเขาน อาคาตพยาบาทใจเราก็ร้อนเป็นไฟขึ้นมาบางทีเราก็ไปลักทรัพย์ของผู้<ม>อื่นเพราะเราโลภ<ม>เราอยากได้เงินเยอะๆถ้าทำงานแล้วเงินรายได้มันน้อย<ม>ก็เลยต้องไปช่อโกงบ้างไปคอร์รัปชันบ้าง<ม>อย่างนี้ก็เรียกว่าทำโลภด้วยความบาทําบาปด้วยความโลภ<ม>ทำบาปด้วยความกลัวก็คือ<ม>เรากลัว สิ่งนั้นสิ่งนี้จะมาทําร้ายเราเช่นมาล้างสัตว์กัดต่อยหรือสัตว์เลื้อยคลานพอเราเจอมันปั๊บเราฆ่ามันเลยเอย่างนี้ก็เรียกว่าทําบาปด้วยความกลัวดวงวิญญาณของเราก็จะเป็นดวงวิญญาณที่มีแต่ความหวาดกลัวอยู่ตลอดเวลาถ้าทําบาปด้วยความหลงไม่รู้ว่าเป็นเป็นบาปไม่รู้ว่าเป็นเป็นโทษเช่น ทำมาหากินเลี้ยงชีพด้วยการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเนี่ยาเป็ดฆ่าไกา่ฆ่าวัวฆ่าควายเราคิดว่าเป็นอาชีพเป็นการเลี้ยงชีพจำเป็นจะต้องทำทำบาปแบบนี้ก็จะไปเป็นเดรัจฉานพราะเดรัจฉานเขาก็ทำบาปกันไม่มีสัตว์เดรัจฉานที่ไหนเขาไม่ทาบาปกันเดรัจฉานก็ต้องกินสัตว์เล็กกินสัตว์น้อยกัน หรือไม่งัก็ต้องรักขโมยอาหารของผู้อื่นไปกินกันนี่คือถ้าไม่อยากจะทำให้เราต้องไปเกิดนบายทาให้จิตใจเราตกต่าเราต้องรักษาศีห้าให้ได้เราก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ถ้าเวลาตายไปแล้วไม่ต้องไปรับผลบาปไนยบายแล้วถ้าเราอยากจะไปสูงกว่ามนุษย์ อยากจะไปท่องเที่ยวในสวรรค์เราก็ต้องทำบุญทาทานควบคู่ไปกับการรักษาศีลห้ารักษาศีลห้าเป็นปกติแล้วก็ทำบุญตามโอกาสมากน้อยแล้วแต่กำลังของเราทำมากก็จะได้ได้สวรรค์ชั้นสูงทำน้อยก็ได้สวรรค์ชั้นตำ่ำอันนี้สวรรค์ก็มีแบ่งไว้ถึงหชั้นด้วยกัน ถ้าเปรียบก็เป็นเหมือนโรงแรมที่แบ่งเป็นดาวมีตั้งแต่หนึ่งดาวสองดาวถึงห้าดาวสวรรค์นี้ก็มีหกดาวมีหกชั้นด้วยกันอยู่ที่ว่าทำทำมากทำน้อยทำมากก็จะได้สวรรค์ที่สูงขึ้นไปตามลำดับคาว่ามากน้อยนี้ก็ไม่ได้อยู่ที่จำนวนเงินคือคนสองคนนี้ ทำบุญเช่นเงินจํานวนเงินเท่ากันแต่อาจจะได้บุญไม่เท่ากันเพราะว่าอยู่ที่กําลังทรัพย์ของแต่ละคนว่ามีมากน้อยต่างกันเช่นคนสองคนทำงานทาบุญหนึ่งหมื่นบาทคนหนึ่งมีล้านหนึ่งทำหนึ่งหมื่นบาทก็เท่ากับทำร้อยละหนึ่ง เขามีทรัพย์ถึงร้อยเขมีถึงร้อยหนึ่งแต่เขาแบ่งไปหนึ่งส่วนส่วนในคนหนึ่งนี้ทำหมื่นหนึ่งแต่เขามีแสนหนึ่งแสดงว่าเขาแบ่งไปสิบส่วนของเงินที่เขามีอยู่นี่ความรู้สึกของคนที่มีแสนที่ทํานทำบุญหมื่นหนึ่งจะไม่รู้สึกว่าจะรู้สึกว่ามีความสุขมากกว่าคนที่มีเงินล้านแล้วทำทำหนึ่งหมื่นบาทเพราะว่าเขา เขาไม่รู้สึกว่าเขาเสียไปมากนเนี่เขาเสียเพียงร้อยละหนึ่งส่วนอีกคนหนึ่งนี้เสียไปร้อยละสิเสียมากกว่าสิบเท่าความรู้สึกที่ได้เสียสละของที่เราลักไปจะทำให้เกิดความรู้สึกอิ่มใจสุขใจมากขึ้นดังนั้นเราไม่ต้องไปกังวลว่าเรามีเงินน้อยแล้วเราจะทำบุญได้น้อย ต้องเราอาจจะคิดว่าเราต้องมีเงินเป็นล้านเป็นแสนถึงจะทาบุญได้เยอะบางคนมีไม่กี่บาทแต่เขาทำหมดเลยเขาก็ได้บุญเยอะกว่าเพราะบุญมันวัดด้วยกันด้วยที่ความรู้สึกในใจของเรานี่แหละถ้าใจเรามีความรู้สึกว่าเราได้เสียสละมากเราก็จะมีความสุขมากในใจของเราเองก็เช่นเดียวกันเราเปรียบเทียบได้ ถ้าเราทําพันหนึ่งกับทําหมื่นหนึ่งนี่ยเราจะรู้สึกต่างกันไหมเวลาเราทําบุญพันหนึ่งกับทําบุญหมื่นหนึ่งนี้ความรู้สึกในใจเราก็จะต่างกันทำหมื่นทําบุญหมื่นหนึ่งรู้สึกว่ามันถึงใจมากกว่าทําบุญพันหนึ่งทําบุญพันหนึ่งนี้มันยังไม่ถึงใจอันนี้พูดเปรียบเทียบให้ฟังเพื่อให้ท่านได้เข้าใจว่าไม่ต้องไปกังวลเรื่อง เงินทองไม่ต้องไปวัดกับคนอื่นเขาเรื่องบุญนี้เราต้องวัดเงินทองของเราเองเท่านั้น <Yeah. S 2> คนเงินเงินคนอื่นเขาจะทํากี่ล้านกี่แสนก็เรื่องของเขา <Yeah. S 2> เราทํากี่หมื่นกี่พันก็เรื่องของเรา <Yeah. S 2> อยู่ที่ว่าเราแบ่งเงินที่เรามีอยู่นี้ไปเท่าไหร่ <Yeah. S 2> ถ้าแบ่งไปมากเราก็จะได้บุญมากแบ่งไปน้อยก็จะได้บุญน้อยน yeah. yeah. ความสุขหรือสวรรค์นี่ชั้นต่างๆก็อยู่ที่ความรู้สึกความสุขที่มีอยู่ในใจของเรานี่เองนี่คือถ้าเราอยากที่จ ะ, ะมีความสุขใจทั้งในขณะที่เรายังไม่ตายเพราะผลของบุญนี้เกิดขึ้นทันทีหรือผลของบาปก็เกิดขึ้นทันทีมันเปลี่ยนใจเราให้เป็นเทวดาเป็นเปรตขึ้นมาทันที ถ้าทำบาปด้วยความโลภนี้ใจของเราก็เปลี่ยนจากมนุษย์ไปเป็นเปรตได้ทันทีถ้าเราทำบุญ<ฟ>ใจของเราก็เปลี่ยนจากมนุษย์ไปเป็นเทพได้ทันทีนั้นเรากำลังสร้างภพชาติของเราในขณะที่เรามีชีวิตอยู่พอเวลาเราตายไปนี้เราเป็นทันทีเลยถ้าเราเป็นเทพในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่ใจของเราก็จะเป็นเทพทันที อันนี้คือผลที่จะเกิดจากการทําบุญขั้นที่หนึ่งคือทํารักษาศีลห้าแล้วก็ทําบุญทําทานตามกําลังมีมากมีน้อยตามศรัทธาบางท่านก็ทํามากเพราะว่ามีความสุขมากกว่าเอาเงินไปซื้อของฟุ่มเฟือยเอาเงินไปเที่ยวตามที่ต่างๆเพราะรู้สึกว่าทำไปเที่ยวเสร็จกลับมาก็หมดไปความรู้สึก ที่ได้จากการไปเที่ยวก็หายไปแต่เวลาไปทำบุญนี้ต่างกันเวลาทำบุญเสร็จนี้เวลากลับมาบ้านความรู้สึกอิ่มใจสุขใจก็ยังมีอยู่ในใจและบางทีเวลาผ่านไปหลายวันหลายเดือนเวลานึกถึงบุญที่เราได้ทำไว้มันก็ยังทำให้เราเกิดความรู้สึกอิ่มเ อ, อิบใจขึ้นมาสุขใจขึ้นมาพอได้ ได้ทำบุญได้สัมผัสกับผลของบุญแล้วก็อาจจะชอบทำบุญมากกว่าชอบไปเที่ยวกันชอบไปซื้อของฟุ่มเฟืยเอยชอบไปกินไปดื่มกันก็จะเปลี่ยนวิธีสร้างความสุขด้วยการทำบุญทำทานให้มากขึ้นไปเรื่อยๆออจิตใจก็จะมีความสุขภายในใจมากขึ้นไปจนอยากจะมีความสุขใจเพิ่มมากไปกว่า นี้ <Yeah. S 2> ก็รู้ว่ามีวิธีอีกวิธีหนึ่งที่จะเพิ่มความสุขใจนอกจากการทำบุญทำทานรักษาศีลห้าแล้ว <Yeah. S 2> ถ้าอยากจะได้ความสุขที่สูงกว่านี้ก็ต้องเพิ่มการปฏิบัติ <Yeah. S 2> เพิ่มรักเพิ่มการรักษาศีล <Yeah. S 2> จากการรักษาศีลห้าก็เพิ่มเป็นการรักษาศีลแปดแล้วก็ไป หาที่สงบไปฝึกสมาธิไปทำใจให้สงบกันเพราะความสุขที่ได้จากการทำใจให้สงบนี้จะเป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขที่ได้จากการทำบุญทำทานจากการรักษาศีลห้าหรือความสุขจากการไปเที่ยวไปดูไปฟังไปกินไปดืม่มอะไรต่างๆ นี่เป็นความสุขที่เราสามารถเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆภายในใจของพวกเราได้นะเบื้องต้นเวลาเรามาเกิดในโลกนี้เราก็หาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสกันก่อนหาความสุขจากการไปทเที่ยวไปดูหนังฟังเพลงอะไรไปต่อมาเราก็ได้ศึกษาได้เรียนรู้ว่ายังมีความสุขที่ดีกว่า ความสุขที่ได้จากการไปเที่ยวก็คือความสุขที่ได้จากการทำบุญทำทานจากการรักษาศีลห้าเราก็จะมาหัดรักษาศีลห้ากันทำบุญทำทานกันแล้วเราก็จะได้สัมผัสกับความสุขที่ดีกว่าความสุขที่ได้จากการไปกินไปดื่มไปเที่ยวแล้วต่อมาเราก็จะได้เรียนรู้ว่าเหนืออกว่าความสุขที่ไดจากการทาบุญทาทานรักษาศีลห้าแล้ว ก็ยังมีความสุขที่เกิดจากการรักษาศีลแปดแล้วก็ฝึกสมาธินั่งสมาธิทำใจให้สงบเราก็ไปลองปฏิบัติกันวันหยุดวันทางานวันหยุดทางานว่างๆก็ลองไปอยู่วัดกันดูไปถือศีลแปดแล้วก็ไปฝึกนั่งสมาธิกันหัดทำใจให้สงบกัน แล้วเราจะได้เข้าถึงความสุขที่สูงกว่าดีกว่าความสุขที่ได้จากการไปเที่ยวไปดูหนังฟังเพลงความสุขที่ได้จากการทาบุญทําทานรักษาสิ่ห้าเป็นความสุขที่สูงขึ้นไปอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราควรจะกระทํากันเพราะว่าความสุขเหล่านี้เวลาเราตายไปเราเอาไปได้เป็นทรัพย์ภายในของเรา เทวาซั์ก็เอาไปได้พรหมมาซับเนี่ยถ้าได้สมาธิได้ฌานเราก็จะได้พรหมมาซั์ไปพรหมมัพย์ก็มีสองขั้นขั้นรูปประพรมกับอรูปประพรมความสุขก็มากน้อยต่างกันไปแต่เหนือกว่านั้นก็ยังมีความสุขอีกระดับหนึ่งที่เรียกว่าความสุขของพระอริยะเจ้าหรืออริยซัย์เนี่ย อันนี้จะเป็นความสุขที่ถาวรความสุขที่ได้จากพรหมรัพหรือเทวรัพนี้เป็นความสุขที่เสื่อมลงหมดลงได้เช่นสมมติว่าเราทาบุญทาทานรักษาศีลห้าได้ตายไปเราก็ไปเป็นเทวดาแต่บุญที่ส่งเราไปเทวดาเดี๋ยวก็ต้องหมดมันเป็นเหมือนน้ำมันรถเนี่ยน้ำมันรถนี้เราเติมแล้วเราก็ขับไปไหนมาไหน เดี๋ยวน้ำมันในรถมันก็หมดหมดเราก็ต้องไปกลับไปจอดว่าที่สถานีบริการไปเติมน้ำมันใหม่ฉันใดบุญที่เราได้ที่ส่งให้เราไปเป็นเทพหรือเป็นพรหมนี้เดี๋ยวมันก็หมดพอหมดเราก็ต้องกลับมาที่สถานีบริการใหม่คือกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่เพื่อที่เราจะได้มาตามบุญกันใหม่ถ้าเราเคยทาบุญทาทานรักษาศีลห้าในชาติก่อน พอชาตินี้กลับมาเราก็จะทํามาเราก็จะกลับมาทําเหมือนเดิมเพราะมันจะเป็นนิสัยติดมากับใจของเราคนที่เคยรักษาศีลก็จะกลับมารักษาศีลคนที่เคยทาบุญทำทานก็จะกลับมาทำบุญทำทานคนที่เคยนั่งสมาธิก็จะกลับมาฝึกนั่งสมาธิกันเนี่ยทำไมเราถึงมีคนที่ปฏิบัติไม่เหมือนกันก็เพราะว่าในแต่ละชาติในอดีตนี้เรา เราปฏิบัติมาไม่เหมือนกันนะถ้าเราเคยรักษาศีลเราก็จะมารักษาศีลกันถ้าเราไม่เคยรักษาศีลเราก็จะไม่ร hmm. ักษาศีล hmm. กันบางคนไม่เคยรักษาศีลเคยกินเหล้าก็จะกลับมากินเหล้าเคยเล่นการพนันก็จะกลับมาเล่นการพนันใคยทําเคยเที่ยวเตะก็จะกลับมาเที่ยวเตะอันนี้มันเป็นนิสัยนิสัยดีเราก็เรียกว่าบาลมี นิสัยไม่ดีเราก็เรียกว่ากรรมวิบาศน์อันนี้มันเป็นสิ่งที่ติดมากับใจจะไปกับใจเนี่ยชาตินี้เรามาสร้างนิสัยอะไรไว้มันก็จะไปกับใจของเรานิสัยต่างๆนี้เราเปลี่ยนได้เช่นถ้าเราเคยมีนิสัยไม่ดีเคยชอบเล่นการพนันชอบดื่มสุราพอเราได้มาศึกษาธรรมะแล้วได้เรียนรู้ว่า มันเป็นสิ่งที่ไม่ดีมันจะดึงใจของเราให้ลงต่ำานถ้าเราอยากจะขึ้นสูงเราก็เลิกเสียเลิกดื่มสุรายาเมาเลิกทำบาปแล้วก็มารักษาศีลแล้วก็มาทำบุญทำทานเปลี่ยนได้ถ้าเรามีคนคอยสอนคอยบอกหรือถ้าไม่มีคนสอนคนบอกถ้าเราฉลาด ถ้าเราวิเคราะห์ได้เราพิจารณาเองได้ว่าทำแบบนี้ดีไม่ดีอย่างไรเราก็เลือกได้อ๋อทำแบบนี้แล้วทำให้ใจเราไม่ดีทำให้ชีวิตเราไม่ดีก็อย่าไปทำมันทำอย่างนี้แล้วทำให้ใจเราสบายทำให้ชีวิตเราไม่วุ่นวายไม่มีเรื่องเราก็ไปทำอย่างนั้นถ้าเราไม่คิดเองไม่เป็นก็อาศัยคนที่ฉลาดกว่าเราคิดให้เรา ก็อาศัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้เป็นผู้คิดแทนเราสอนพวกเราให้ให้ทำอย่างไรถึงจะดีก็การเนี่ยเช่นพวกเรานี้เราต้องหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์กันเพราะเราคิดเองไม่เป็นเมื่อคิดเองแล้วสู้ความคิดของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่ได้เราก็เลยมาอาศัยความคิดของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มาคอยนําความคิดของเราสอนให้เราคิดตามท่าน ท่านก็จะสอนให้เราเนี่ยละอบายามุขเนี่ยละการเล่นการทนันละการดื่มสรายาเมาละการเที่ยวเตะแล้วก็ละการกระทำบาปสมมติว่าถ้าเราเคยทำก็เราก็พยายามเลิกมันเสียเวลาจะเลิกมันก็ต้องบังคับตัวเองเพราะเวลาเราเคยทําอะไรแล้วมันจะติดเป็นนิสัยมันอยากจะทํา พอเวลาอยากทำแล้วไม่ได้ทำมันจะรู้สึกหงุดหงิดนาคาญใจล้วก็ต้องทนอดทนเผืนว่าถ้าเลือกได้แล้วจะดีกว่าถ้าติดสุราแล้วถ้าเลอกสุราได้นี้มันจะดีกว่าคนที่ติดสุรากับคนที่ไม่ติดสุราใครสบายกว่ากันคนไม่มีไม่ติดสุราก็ไม่ต้องมาตังวลกับเรื่องการหาสุรามาดื่มดื่มแล้วก็ต้องมึนเมา ทำตัวเองให้เสียหายทำตัวเองให้ไม่ไม่น่าดูน่าชมถ้าเราคิดถึงผลเสียที่จะตามมาจากการกระทําในสิ่งที่ไม่ดีเราก็จะมีกําลังใจที่สู้ที่จะสู้มันฝืนมันได้แล้วเดี๋ยวไม่ช้าก็เร็วเราก็จะเลิกได้เปลี่ยนได้หรือถ้าเราทํายากก็ไปอยู่กับคนที่เขาไม่ดื่มสุราเย ถ้าเราไปอยู่กับคนดื่มสุราก็จะเลิกยากแต่ถ้าไปอยู่กับคนที่ก็ไม่ดื่มสุราเช่นไปอยู่วัดนี้บางคนจากจะเลิกสุราก็มาบวชสักสามเดือนเอามาอยู่วัดไม่ได้ดื่มสุราสามเดือนก็เลิกดื่มสุราได้ดั <Yeah. S 1> งนั้นสิ่งต่างๆนี้เราทําได้เราแก้ได้สิ่งที่ไม่ดีนิสัยที่ไม่ดีนดี้เรามาเปลี่ยนได้มาแก้ได้แล้วนิสัยที่ดีเราก็มาหัดทําได้ ก็อาศัยคนดีเนี่ยพระพุทธเจ้าถึงสอนให้เรารู้จักคบคนไงให้คบคนดีอย่าไปคบคนไม่ดีเพราะคนไม่ดีเขาก็จะพาเราไปทําในสิ่งที่ไม่ดีคบคนดีเขาก็จะดึงให้เราไปทําในสิ่งที่ดีนั้นถ้าเราอยากจะพัฒนาตัวเราเองนั้นนิสัยต่างๆที่เราเคยติดตัวมานี้เราเปลี่ยนได้ ทั้งดีแล้วไม่ดีแต่ไม่ควรเปลี่ยนนิสัยที่ดีไปเป็นไม่ดีถ้ามีนิสัยดีแล้วพยายามรักษาไว้ถึงแม้ว่าบางเวลาอารมณ์เสียอยากจะทําในสิ่งที่ไม่ดีก็ต้องคอยอดกั้นอดทนเอาไว้คอยห้ามใจเอาไว้ให้ระลึกถึงผลที่ไม่ดีที่จะตามมาถ้าเราไปทําในสิ่งที่ไม่ดีเราก็จะฝืนอารมณ์ที่จะ ดึงให้เราไปทำในสิ่งที่ไม่ดีได้ส่วนสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่ดีเราก็อาจจะต้องอมีอะไรมาดึงใจเราเช่นคิดถึงผลดีที่จะตามมาทำดีแล้วเราจะมีความสุขใจมีความสบายใจพอคิดถึงผลที่จะได้เราก็จะมีกำลังใจที่จะทำความดีได้แล้วเราก็จะได้พัฒนาจิตใจของเราขึ้นไปตามลำดับเนี่ย เบื้องต้นก็พัฒนาจากการเป็นมนุษย์ให้ขึ้นไปเป็นเทพเป็นเทวดาโดยการรักษาศีลห้าด้วยการทําบุญทําทานตามศรัทธาตามความพอใจถ้าทําแล้วมีความสุขก็อยากจะทํามากขึ้นไปเรื่อยๆดังนั้นบางทีทําบุญนี้ก็ต้องทําแล้วให้มีความสุขใจถ้าไม่มีความสุขใจก็อยากพิ่งไปทําเช่นบางทีทําบุญเพราะถูกบังคับให้ทํา เช่นช่วงออกพรรษามีกระถินนี่มีทองมาเยอะแยะเลยบางทีเราก็ไม่มีศรัทธาเพราะเราไม่รู้ว่าเขาเอาไปทำที่ไหนกันอย่างไรบ้างผลที่เกิดจากการทำบุญของเราเราไม่เห็นผลเราบางทีก็ไม่อยากจะทำเนี่ยเราไปเลือกทำในบุญบุญที่เราเห็นผลดีกว่าเช่นถ้าเราไปปล่อยนกปล่อยปลาอย่างนี้เราเห็นแล้วว่า หวแล้วเขามีอิสระภาพเขาได้ได้ชีวิตเขากลับคืนมาแทนที่จะกลายเป็นอาหารเขาก็ยังสามารถอยู่ต่อไปได้ <Yeah. S 1> พอทำบุญแบบนี้แล้วมันจะทำให้เรารู้สึกมีความสุขใจขึ้นมาว่าเราได้ช่วยเหลือเพื่อนร่วมโลกด้วยกันถึงแม้จะเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ตาม <Yeah. S 1> เขาก็มีจิตใจเหมือนเรา สั่งการที่ร่างกายเท่านั้นเองร่างกายเขาเป็นสัตว์เดรัจฉานแต่ร่างกายของเราเป็นมนุษย์แต่จิตใจนี้เหมือนกันจิตใจรักตัวกลัวตายเหมือนกันจิตใจต้องการความสุขเหมือนกันเหตั้นเวลาเราช่วยเขาให้เขาได้ปลอดภัยจากภัยให้เขามีความสุขเราก็จะรู้ว่าเขามีความสุขแล้วมันก็จะทําให้เรามีความสุขขึ้นมาได้เหตนั้นถ้าอยากจะทําบุญแล้วทําให้เกิดความรู้สึก สุขใจเห็นบุญจริงๆก็ต้องเลือกต้องรู้ว่าบุญที่เราทำนี้เกิดผลขึ้นมาอย่างไรไม่ว่าจะทำบุญชนิดไหนก็ได้สร้างโบสถ์ก็ได้สร้างเจดีย์ก็ได้หรือสร้างโรงเรียนก็ได้สร้างโรงพยาบาลก็ได้บริจาคอะไรก็ได้แล้วแต่ถ้าเราเห็นผลแล้วว่าเป็นประโยชน์แล้วทำให้เรามีความสุขใจนั่นแหะมันก็ถือว่าเราได้ สัมผัสกับผลบุญที่เราทําทันทีแล้วมันจะทําให้เรามีความยินดีที่จะทําไปเรื่อยๆเพราะทำแล้วมันมีความสุขใจอิ่มใจนั่นเองอ น, นี่คือขั้นของการเป็นเทพเนี่ยตายไปเราจะได้ไปสวรรค์กันแล้วถ้าเราอยากจะไปสวรรค์ที่สูงกว่านั้นเราก็ต้องเปลี่ยนมารักษาศีล8ปดกันจากศีลห้าก็มารักษาศีลแปด แล้วก็มาหัดทำสมาธิกันไปเรียนจากผู้ที่รู้วิธีทำสมาธิว่าทำอย่างไรถึงทำจิตใจให้สงบวิธีที่จะทำจิตใจให้สงบนี้เราก็ต้องหยุดความคิดกันเพราะความคิดนี้มันจะคอยกวนใจคอยปั่นใจให้ไม่สงบนั่นเองพอเราหยุดคิดได้มันก็จะสงบเหมือนน้ำเนี่ยถ้าเราเอาอะไรไปกวนมันไปคนมันน้ำมันก็ไม่นิ่ง ถ้าเราอยากจะให้น้ํามันิ่งเราก็ต้องหยุดไปคนมันน้ําในตุ่มเป็นต้นฉันใดใจของเราก็เหมือนกันถ้าอยากใจให้เราใจของเรานิ่งใจของเราสงบเราต้องพยายามหยุดคิดให้ได้และการจะหยุดคิดเราก็มีเครื่องมือช่วยให้เราหยุดคิดได้เครื่องมือที่หยุดคิดนี้เราเรียกว่ากรรมฐานกรรมฐานคืออารมณ์ที่เราจะใช้ในการผูกใจเราให้หยุดคิด เช่นถ้าเป็นพุทธานุสติเราก็ใช้คำบริกรรมพุทโธพุทโธหรือใช้การสวดบทอิติปิโสไปก็สวดมนต์ไปก็ได้เพราะถ้าเราสวดมนต์ไปเราก็จะไม่ไปคิดเรื่องราวต่างๆได้นั่นเองหรือถ้าเราท่องพุทโธพุทโธไปเราก็จะไปคิดถึงคนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้ไม่ได้แต่เราต้องทำพยายามทำอยู่บ่อยๆทาให้มากๆ เพราะว่าถ้าทำแล้วหยุดปับ๊บเดี๋ยวความคิดก็จะกลับมาใหม่ในตอนต้นนี้เราต้องพยายามสร้างสติขึ้นมาให้ได้พยายามหยุดความคิดให้ได้ด้วยการระลึกถึงพระพุทธเจ้าคือสวดอิติปิโสหรือบริกรรมพุทโธพุทโธไปอันนี้เป็นกรรมฐานอย่างหนึ่งซึ่งมีหลายอย่างด้วยกันมีถึง40ชนิดด้วยกัน แต่เราไม่จำเป็นจะต้องใช้รู้ทั้งหมดทั้งสี่สิบชนิดเ่ยขอให้เรารู้วิธีใดวิธีหนึ่งแล้วลองทดลองใช้ดูแล้วพอเราเห็นว่าความคิดของเราน้อยลงไปเบาลงไปเราก็จะเห็นคุณค่าของการสวดมนต์เห็นคุณค่าของการบริกรรมพุทโธพุทโธเราก็พยายามฝึกไปเรื่อยๆอันนี้หมายถึงฝึกไปก่อนที่เรามานั่งสมาธิกัน ต้องฝึกสติก่อนต้องคอยควบคุมความคิดหยุดความคิดให้ได้ก่อนพอเรารู้ว่าเราพอควบคุมความคิดได้แล้วทีนี้เวลาเราก็มานั่งสมาธิกันได้นั่งสมาธิก็ควบคุมให้ใจอยู่กับดูลมหายใจเข้าออกอยู่ที่ปลายจมูกไม่ต้องตามลมเข้าตามลมออกแต่ถ้าใจเรายังคิดอยู่เราก็สวดมนต์ไปภายในใจก่อนก็ได้ หรือบริกรรมพุโทโธพุธโทโธไปภายในใจก็ได้แล้วใจของเราก็จะหยุดคิดได้แล้วก็ท่านั่งเฉยๆมันก็จะรวมเป็นสมาธิได้ถ้ายังไม่นั่งเฉยๆร่างกายยังมีการเคลื่อนไหวอยู่มันจะนิ่งไม่ได้นั่งกายต้องนิ่งก่อนใจถึงจะนิ่งตามได้เพราะใจเป็นผู้สั่งให้ร่างกายเคลื่อนไหวนั่นเองใจยังทางานอยู่ถ้าร่างกายยังมีการเคลื่อนไหวอยู่ ถ้าต้องการให้ใจนิ่งใจหยุดทำงานใจเป็นสมาธิก็ต้องนั่งเฉยๆแล้วก็ปิดทวารเช่นปิดตาอย่าไปรับรู ป, รปต่างๆที่เข้ามาทางตาเพราะถ้ามีรูปเข้ามาทางตาใจก็จะอดคิดถึงรูปเหล่านั้นไม่ได้ให้ปิดตาแล้วก็ดูลมหายใจถ้าดูลมได้ก็ดูลมหายใจที่ปลายจมูกหายใจเข้าก็รู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกก็รู้ว่าหายใจออก ไม่ต้องไปบังคับลมให้หายใจลึกๆหรือหายใจยาวๆปล่อยให้ลมหายใจเขาตามเป็นตามปกติของเขาเขาจะยาวก็ปล่อยให้เขายาวเขาจะสั้นก็ปล่อยเขาสั้นไปเรามีหน้าที่เพียงแต่อาศัยการดูลมเราต้องการใช้ลมเป็นที่เครื่องผูกใจให้ใจนิ่งให้ใจไม่ไปคิดเรื่องราวต่างๆถ้าเราสามารถดูลมได้ไม่คิดอะไรได้เดี๋ยวจิตก็รวมเป็นสมาธิขึ้นมา พอจิตรวมเป็นสมาธิแล้วก็จะเกิดความสุขขึ้นมาที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงความสุขอันมหาศจั์ใจนี้อยู่ในตัวของเรานีเองความสุขวิเศษที่สุดในโลกนี้ไม่ได้อยู่ที่สมบัติกองเท่าภูเขาไม่ได้อยู่ที่การเป็นพระราชามาหากริสัเป็นประธานาธิปดีเป็นรัฐมนตรีแต่อยู่ที่ใจของเราที่สงบนี่เอง ที่เราพยายามเพียนทำให้สงบด้วยการเจริญสติอยู่เรื่อยๆเมัอนบริกรรมพุทโธพุทโธเหมือนสวดมนเพื่อกันไม่ให้ใจไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆแล้วพอเวลามีเวลาว่างนั่งเฉยๆก็นั่งหลับตาแล้วก็ดูลมไปถ้ายังดูไม่ได้ก็สวดมนไปหรือบริกรรมไปก่อนเดี๋ยวพอใจไม่คิดอะไรแล้วก็ดูลมต่อไป แล้วใจก็จะเข้าสู่ความสงบได้แล้วก็จะได้พบกับความสุขที่แท้จริง <Yeah. S 1> อยู่ในตัวของเรานี่เองเป็นความสุขที่เป็นของเราไม่มีใครมาแย่งเอาไปได้ไม่เหมือนความสุขภายนอก <Yeah. S 1> ความสุขที่ได้จากเงินทองถ้าคนขโมยเงินเราไปความสุขก็หมดไปความสุขที่ได้จากคนนั้นคนนี้พอเขาจากเราไปเราก็ความสุขนั้นก็หมดไป แต่ความสุขที่ได้จากความสงบนี้จะอยู่กับใจเราอยู่ในใจของเราเป็นของเราแล้วใจของเราก็ไม่มีวันตายด้วยใจไปไหนความสุขอันนี้ก็จะไปกับใจตลอดเวลา <c oughs> นี่แหละคือทรัพย์ที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเรามาสร้างกันแต่ความสุขที่ได้จากสมาธินี้ยังถือว่าเป็นความสุขชั่วคราวอยู่เพราะว่าเรา ไม่สามารถอยู่ในสมาธิได้ตลอดเวลาเดี๋ยวเราก็ต้องถอนออกจากสมาธิมา <Yeah. S 1> พอถอนออกจากสมาธิมาพอเรามาคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้ความสงบก็จะหายไปเห็น yeah. แล้วถ้าคิดด้วยความอยากก็จะทำให้ใจเราร้อนขึ้นมาอีกเห็น yeah. ถ้าเราอยากจะทำให้ใจเราสงบอย่างถาวรเวลาเราออกจากสมาธิมาเราก็ต้องสอนใจไม่ให้คิดไปในทางความอยาก yeah. เพรถ้าคิดไปในทางความอยากแล้วใจเราจะวุ่นวายจะไม่สงบวิธีที่จะไม่คิดไปทางความอยากก็ต้องให้เห็นว่าสิ่งที่เราอยากนะั้นมันเป็นทุกข์ทุกข์เพราะว่ามันเป็นของชั่วคราวเป็นความสุขชั่วคราวได้มาแล้วเดี๋ยวก็หมดไปพอหมดไปพอความสุขหมดไปความทุกข์ก็จะเข้ามาแทนที่ คือให้เราพิจารณาให้เห็นว่าสิ่งที่เราอยากได้เช่นลาบยศสารเสริญรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆนี้เป็นของชั่วคราวเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตา <Evet. S 1> ถ้าเราเห็นว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเราจะได้ไม่อยากไม่ไม่มีความที่อยากได้สิ่งเหล่านี้ <Evet. S 1> พอไม่มีความอยากแล้วใจของเราก็จะสงบไปอย่างถาวรจะมีความสุขไปอย่างถาวร อันนี้เป็นขั้นสุดท้ายของการปฏิบัติหลังจากได้สมาธิแล้วก็มาเจริญปัญญามาศึกษาไตรลักษกณ์ศึกษานิจังทุกขังอนัตตาลาบยศสรรเสริญนี่ก็เป็นไตรลักษณ์ลาบได้มาแล้วเดี๋ยวก็เสื่อมมีเจริญลาบก็มีเสื่อมลาบได้ยศมาแล้วเดี๋ยวก็เสื่อมยศได้สรรเสริญแล้วเดี๋ยวก็ได้นินทาได้สุขจา ก, กรูปเสียงกลิ่นรล้วแล้ ว, ลวเดี๋ยวก็ได้ทุก เดี๋ยวก็หมดไปทุกข์ก็เข้ามาแทนที่ศึกษาตายรักในทุกสิ่งทุกอย่างแล้วความอยากที่จะได้ทุกสิ่งทุกอย่างก็จะหายไปหมดแล้วความสงบที่มีอยู่ในใจจากสมาธิก็จะอยู่ไปอย่างถาวรกลายเป็นความสุขของพระนิพพานไปพอใจสงบตลอดเวลาไม่ว่าจะอยู่ในสมาธิหรือไม่ได้อยู่ในสมาธิก็สงบเรียวกว่าเป็นพระนิพพาน เป็นปรรมสุขปรรมังสุขขังเป็นความสุขที่ถาวรเป็นความสุขที่ทำให้จิตใจอิ่มจิตใจพอตลอดเวลายังไม่มีความจำเป็นที่จะต้องมาใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขอีกต่อไปร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตายใจก็ไม่เดือดร้อนเพราะไม่ได้พึ่งร่างกายแล้วไม่ได้ทุกข์กับร่างกายแล้วปล่อยให้ร่างกายแก่ร่างกายเจ็บร่างกายตายได้ แล้วพอร่างกายนี้ตายไปแล้วก็จะไม่ต้องกลับมามีร่างกายอันใหม่ต่อไปไม่ต้องกลับมาเติมบุญเ ต, ต, ติมเติมกุศลกันใหม่ไม่ต้องมาปฏิบัติธรรมกันใหม่แล้วเพราะว่าเราทํางานของจิตใจสําเร็จแล้วงานที่เกี่ยวกับจิตใจนี้หมดไปแล้วงานที่จะทําทให้จิตใจสูงวันนี้ดีกว่า น, นี้ไม่มีแล้วพ อ, อถึงพระนิพพานนี้ถือว่าถึงขั้นสูงสุดแล้ว เป็นความสุขที่สูงสุดสุดยอดของของความสุขที่จิตใจสามารถจะเพึงมีได้ซึ่งพวกเราทุกคนนี้มีสิทธิ์ที่จะไปถึงจุดนั้นได้เพราะตอนนี้เรามีทางไปมีผู้นำทางคือมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราจึงไม่ควรปล่อยโอกาสอันดีนี้หลุดมือไปเพราะว่าคราวหน้าถ้าเรายังถ้าเรายังไม่ถึงนิพพานคราวหน้าเรากลับมาเกิดใหม่ เราอาจจะไม่ได้มาเจอกับพระพุทธศาสนาอีกก็ได้แล้วก็ไม่รู้ว่าจะกลับมาเจออีกเมื่อไหร่เพราะพระพุทธศาสนาแต่ละศาสนานี้ก็ไม่ได้มาเกิดขึ้นมาได้อย่างง่ายดายแล้วไม่ได้เกิดขึ้นมาบ่อยนานๆสักครั้งหนึ่งถึงจะมีพระพุทธศาสนามาปรากฏขึ้นในโลกนี้สักครั้งหนึ่งดังนั้นโอกาสที่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์และได้มาเจอพระพุทธศาสนานี้จึงเป็นโอกาสที่ยากมาก ยากยิ่งกว่าการถูกอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งอดังนั้นตอนนี้พวกเรานี้ถือว่าเป็นพวกที่มีโชคมากได้มาพบกับพระพุทธศาสนาได้มาเป็นมนุษย์เนี่ยได้มีโอกาสที่จะหลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดเราจรึงไม่ควรปล่อยโอกาสอันนี้อันดีนี้ให้หลุดมือไปพยายามเอาเวลาว่างที่เรามีอยู่นี้เข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ ศึกษาฟังเทศฟังธรรมอ่านหนังสือธรรมะแล้วจะทําให้เกิดศรัทธาเกิดกําลังใจที่อยากจะปฏิบัติตามแล้วพอได้ปฏิบัติแล้วเดี๋ยวผลที่เกิดจากการปฏิบัติก็จะตามมาอย่างแน่นอนตั <Yeah. S 1> ้งแต่มีพระพุทธเจ้ามาปรากฏในโลกนี้มีมีผู้ที่ศรัทธาเชื่อพระพุทธเจ้าและปฏิบัติตามนี้ได้ไปถึงพระนิพพานกันเป็นจํานวนมากมีพระอรหันต์ปรากฏขึ้นมาในโลกนี้เป็นจํานวนมาก แต่ก่อนที่สมัยที่ยังไม่มีพระพุทธเจ้านี้ไม่มีใครไปถึงพระนิพพานได้แม้แต่คนเดียว <Yeah. S 1> ต้องรอให้มีพระพุทธเจ้ามาสร้างพระพุทธศาสนาก่อน <Yeah. S 1> พอมาสร้างแล้วใครได้ยินได้ฟังมีศรัทธาแล้วปฏิบัติตามได้ <Yeah. S 1> ก็จะไปถึงจุดหมายปลายทางที่พระพุทธเจ้าไปถึงได้ทุกคนด <Yeah. S 1> ั้นเราอย่ า, าปิดกั้นตัวเราเองว่าเรา <Yeah. S 1> ไม่มีบุญ <Yeah. S 1> ไม่มีวาสนา พวกเราทุกคนนี่ที่ได้มาเป็นมนุษย์ได้มาเจอพระพุทธศาสนานี้ถือว่าเป็นพวกที่มีวาสนาเต็มร้อยแล้วมีบุญเต็มร้อยแล้วมีโอกาสเต็มร้อยแล้วอยู่ที่ว่าเราจะฉวยโอกาสนี้หรือไม่เท่านั้นเอง mm hmm. ก็ขอให้เราคิดถึงความแก่ความเจ็บความตายคิดถึงการที่จะต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอย่างนี้อยู่เรื่อยๆแล้วมันจะทําให้เรากลัวกับการเวียนว่ายตายเกิด แล้วมันจะทำให้เรากล้ากับการที่เราจะศึกษาและปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วพอได้ได้ปฏิบัติแล้วผลก็จะต้องปรากฏขึ้นมาอย่างแน่นอนก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาสำหรับการแสดงธรรมในวันนี้ก็ขออนุโมทนาให้พรยะถ า, าวาเลาหาปุราปาริปุเรนติสากลัง เอวเมวะอิโตชินังเปตานังอุปกปติอิชิตังปัชิตังตุมหังกิปเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนาราโสยธามณิโชติ s e wa wa o โสย h าสัพพิตโยวิวัจจันโตสัพพารุโควินัสสตุ มาเตพววตวันตาลาโยสุขีทิคายุโกพาวอะพิวะธนสีริสนิจังวุทธาปจายโนจตารูธรมมาวธันติอายุวโนสุขังภาลังนำดับต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามคำถาม ใครมีคำถามอะไรอยากจะถามเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยอยากจะถามเองก็เข้ามาถามได้หรือถ้าไม่อยากเขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้วันนี้ผู้ติดตามทางบ้านมีเท่าไหร่กลับนามัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะวันนี้ยอดเฟซบุ o กพระอาจารย์สุชาติอภิชาตโตมีผู้รับชม440ท่านเจ้าค่ะ แล้วก็ Facebook พ อ, อจอสิบท่านรวมผู้รับชมทาง Facebook ี่2้อยแดสิบท่านเจ้าค่ ะ, ะส่วน YouTube มีหนึ่ง้อยแปดสท่านวิทยุอออนไลน์1ิท่านเจ้าค่ะซูมเจท่านเจ้าค่ะผู้รับฟังหน้ากุฏิหนึ่งยแปดหท่านรวมเป็นแ6ด้อห้าท่านเจ้าค่ ะ, ะ ถ, ถ้ามีคำถามก็เชิญถามได้เลย มีคำถามจากผู้รับฟังหน้ากุฏินะเจ้าคะทุกเพราะติดในรูปกายสังขารควรพิจารณาอย่างไรดีครับติดรูปร่างกายนะถ้าติดรูปของคนอื่นเพราะเขาสวยว่างามก็ต้องพิจารณาเวลาที่ไม่สวยไม่งามแล้วดูส่วนที่ไม่สวยไม่งามของร่างกายเช่นต้องดูเข้าไปภายในดูภายใต้ผิวหนัง ดูอาการต่างๆเช่นกระดูก<ม>บอดตับหัวใจลำไส้<ม>ก็จะเห็นส่วนที่ไม่สวยงามของร่างกายของผู้อื่นแล้วความยึดติดความรักความชอบก็จะหายไปเมื่อนึกถึงเวลาที่ร่างกายตายไปแล้วร<ม>่างกายเป็นซากศพถ้าปล่อยทิ้งไว้มันก็จะเน่าเฟะขึ้นมามจะอืดพองจะพกช้ำดาเขียว ก็จะเห็นอาการที่ไม่น่ารักน่าชอบของร่างกายก็จะสามารถที่จะสอนใจให้ปล่อยวางได้ถ้ารักร่างกายของตัวเองก็เหมือนกันร่างกายตัวเองก็ไม่สวยไม่งามเหมือนกันร่างกายของตัวเองเดี๋ยวก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายคะคำถามจากผู้รับฟังหน้ากุฏินะคะ ตอนนี้รู้สึกไม่ชอบหัวหน้างานเพราะเขาพูดโกหกและเห็นประโยชน์ส่วนตนเป็นหลักยิ่งเจอหน้ายิ่งหงุดหงิดและขุ่นมัวทำอย่างไรจะอยู่กับคนแบบนี้ได้ในขณะที่เราต้องทำงานกับเขาก็เหมือนกับเราเข้าห้องซุม่มเราก็ต้องเจอความเห็นของห้องซุ่มเราก็ต้องเข้าทำไงได้มาถึงเวลาต้องเข้าห้องซุม่มก็ต้องทนกับความเห็น เวลาไปทํางานก็คิดว่าเหมือนเข้าห้องส่วมก็แล้วกันเรางไปจะคนที่เราไม่ชอบก็ต้องอดทนไปเท่านั้นเอ ง, องก็ช่วงขณะมันจําเป็นอ่ะต้องทําอาหากินเลี้ยงชีพใช่ไหมถ้าไม่ได้ทํางานก็ไม่มีเงินไม่มีรายได้ก็ลําบากอะยังก็องขอให้คิดว่ามันเป็นสิ่งที่เราต้องหัดทําใจกันเราจะได้สบายใจคําถามข้อที่สอง มีปัญหากับคุณแม่สามีเรารู้สึกกับท่านปกติจนกระทั่งเห็นว่าเขาดูแลลูกชายและเอนดูลูกสะพ้ายมากกว่าทั้งที่สามีดิฉันเป็นลูกคนโตและรับผิดชอบสิ่งต่างๆในบ้านมากมายรู้สึกไม่ยุติธรรมเสียเลยทำให้เรามีอคติคิดด้านลบกับท่านเพราะว่าแม่ไปรักลูกสะ้ายมากกว่าลูกชายเลย ไคำถามประมาณว่าลูกชายแฟนตัวเองเป็นลูกชายคนโตแต่ว่าเป็นดูแลลูกชายและลูกสะพ้ายที่ไม่ใช่แฟนตัวเองเจค่ะหมายหมายถึงแฟนไปมีแฟ น, นอีกคนนึงเหรอมีเขามีปัญหากับคุณแม่สามีที่ว่าคุณแม่สามีดูแล ดูแลลูกชายและลูกสะพ้ยอีกคนหนึ่งที่ไม่ใช่เป็นสามีตัวเองและตัวเองอรู้สึกไม่ยุติธรรมสิคะเรื่องของความรักความชอบนี้เราไปบังคับให้มันเท่ากันไม่ได้หรอกเพราะแต่ละคนมีผลดีผลเสียต่างกันงั้นถ้าเราเขารักเราน้อยเราก็ต้องทำให้เขารักเรามากขึ้นทำตัวให้เราดีขึ้นวิธีจะทาให้เขารักเรามากขึ้นก็คือเราต้องรักเขามากขึ้น เราต้องยินดีที่เสียสละทำอะไรให้เขามากขึ้นให้มีความเมตตามากขึ้นยิ่งมีความเมตตามากขึ้นเท่าไหร่เดี๋ยวเขาก็จะรักเรามากขึ้นไปเท่านั้นแต่ถ้าเราไม่มีความเมตตากับเขาเขาก็จะไม่มีความเมตตากับเราถ้าจะรอให้เขาให้เมตตาเราก่อนก็รอไปจนมันตายถ้าอยากจะให้เขาเมตตาเราเราอย่ารอเราส่งเมตตาให้เขาก่อนส่งไปเรื่อยๆเดี๋ยวเขาก็จะอดที่จะเมตตาเราไม่ได้ เพราะฉะนั้นถ้าเราคิดว่าแม่แ ม, แม่สามีรักสามีกับเราน้อยกว่าน้องของเขาเนี่ก็แสดงว่าเราอาจจะมีส่วนที่ไม่น่าดูไม่เขาไม่ชอบเราก็ต้องสร้างส่วนที่น่าดูให้เขาชอบ เ, อเราขึ้นมาให้ได้โดยการทำความดีกับเขาให้มากๆแล้วเดี๋ยวเขาก็รักเขาก็จะชอบเราเอง ค่ะคำถามข้อที่สามดิฉันรักกับสามีปกติแต่เมื่อทะเลาะ ก, กันเราเหมือนไม่เข้าใจเหตุผลของกันและกันต้องใช้เวลาถกเถียงนานมากบางครั้งดิฉันยอมปล่อยผ่านเพราะไม่อยากมีปัญหาแต่กลัวอนาคตเราจะระเบิดออกมา เมื่อเก็บสะสมปัญหาในอันในอนาคตมามากๆเข้าแก้ไขอย่างไรดีคะคือเราต้องยอมรับว่าคนเรานี่มีความเห็นที่ต่างกันจะให้เห็นเหมือนกันทุกอย่างนี่ยากนะงั้นเมื่อเราอยู่กับคนที่เขามีความเห็นต่างกันบ้างเราก็พยายามประสานส่วนส่วนที่เหมือนกันส่วนที่เราเห็นเหมือนกัน ส่วนต่างก็สงวนไว้อย่าเอามาพูดกันอย่าเอามาแสดงกันถ้าเรารู้ว่าเขากับเรามีความเห็นไม่ตรงกันกับเรื่องนี้ก็อย่าไปพูดถึงมันพูดแต่เรื่องที่เรามีความเห็นตรงกัน<ช>เพราะเป็นเรื่องธรรมดาคนเราจะเห็นเหมือนกันทุกอย่างไม่ได้หรอกบางทีเขาชอบสีแดงเราชอบสีเขียวเราจะไปให้เขามาชอบสีเขียวเหมือนเรามันก็ไม่ได้งนั้นก็ปล่อยให้ต่างคนต่างชอบในสิ่งที่ตวเองชอบไปก็แล้วกัน ส่วนไหนที่ชอบเหมือนกันก็เอามาทําร่วมกันถ้าชอบไปดูหนังก็ชวนกันไปดูหนังได้ถ้าคนนึงชอบไปเต้นลรำในคนนึงชอบไปดูหนังก็ไปไม่ได้ก็อย่าไปชวนกันอย่าไปบังคับกันคําถามต่อไปการที่เราตักบาตรถวายหลวงพ่อโสธรเราต้องกรวดน้ําอุทิศบุญกุศลไหมเพราะในความคิดดีฉัน ท่านเป็นพระส่งกว่าเราเราควรตักบาตรให้เฉยๆใช่ไหมหรือตักบาตรกวดน้ำด้วยถ้ากวดน้ำใช้บทกวดปกติใช่ไหมคือถ้าเป็นพระพุทธรูปนี้ไม่ต้องไปตักบาตรไม่ต้องไปกวดน้าไม่ต้องทาอะไรทั้งนั้นพระพุทธรูปมีไววการไหวบูชาคือให้เราปฏิบัติบูชาทำตามคำสั่งคำสอนของของพระพุทธรูปองนั้นพระพระรูปนั้นถ้า ศึกษาคาสั่งคำสอนของท่านแล้วก็พยายามปฏิบัติตามนั่นคือความหมายของการมีพระพุทธรูปหรือมีรูปเหมือนเพให้เราได้ล้ำลึกถึงคำสอนของท่านเพื่อที่เราจะได้บูชาท่านด้วยการปฏิบัติตามคำสอนเพราะท่านไม่ต้องการอะไรจากเราเราน่ะจะได้ประโยชน์จากการที่เราบูชาท่านด้วยการปฏิบัติ เราจะได้มีความสุขมากขึ้นมีความเจริญมากขึ้นไปตามลำดับค่ะคำถามต่อไปจากคุณนิทั์วัฒนกุลภาวนาใช้พุทโธพอจิตสงบแล้วดูลมที่ปลายจมกูกและเลิกพุทโธได้ใช่ไหมครับคือเท่าที่ฟังพระอาจารย์วันนี้ตรงใจตรงที่เมื่อสงบแล้วอยากปล่อยพุทโธและดูลมอย่างเดียว อสงบแต่ไม่สงบเต็มที่คือสงบจากความคิดด้วยความคิดฟุ้งซ่านที่ทำให้เราดูลมไม่ได้พอเราดูลมได้เราก็หยุดสวดก็ได้หยุดพุโทโธก็ได้แต่ยังต้องดูลมต่อไปเพราะจิตยังไม่รวมเป็นสมาธิถ้ารวมเป็นสมาธิแล้วความคิดต่างๆจะหายไปหมดเราจะเหลือแต่ความว่างภายในใจแล้วก็มีความสุขมากในใจ ถ้้ยังังงงไไมม่่ึจุดดนนก็ตอตออูปคําถามจากคุณเพชรขอความเมตตาเจ้าค่ะพระอาจารย์เวลาเรานั่งสมาธิแล้วนิ่งเสียงที่เคยได้ยินหายพุทโธก็หายนิ่งสุขแบบนั้นไม่อยากออกมาขั้นตอนต่อไปลูกควรทําอย่างไรต่อไปคะก็พยายามให้มันนิ่งไปานานๆแล้วถ้าออกมาแล้วก็กลับเข้าไปใหม่ พยายามฝึกให้เข้าไปในจุดนั้นให้บ่อยๆให้มากๆจนชำนาญจนสามารถเป็นที่เราจะไปหลบทุกข์หลบภัยได้เวลาจิตใจเราวุ่นวายเราก็เข้าไปในสมาธิแล้วความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างๆก็จะหายไปแล้วขั้นต่อไปเวลาออกจากสมาธิมาก็มาศึกษาทางปัญญามาเรียนไตรลักษณ์เรียนอริยาาสัจส เพืที่เราจะได้เอาความรู้ของตายรักของอริยสัจ ส, สีมากําจัดความทุกข์ต่างๆให้หมดสิ้นไปต่อไปค่ะคำถามต่อไปจากคุณต้นกล้าฟังธรรมวันนี้เข้าใจว่าต้องได้โสดาบันเท่านั้นจึงจะคุ้มค่าที่เกิดมาขอพระอาจารย์เมตตาแนะนําการปฏิบัติให้ได้โสดาบันในชาตินี้ต้องปฏิบัติเข้มข้นขนาดไหนคะ กถ้าอยากได้เร็วก็ต้องไปบวชนะถ้าไปบวชก็จะได้ทำเต็มที่เลยเป็นมืออาชีพถ้าทำเป็นมือสมัครเล่นทาแต่เฉพาะวันที่ว่างมันก็จะใช้เวลานานอาจจะไม่ทันการก็ได้อาจจะตายก่อนที่จะบรรลุ ก, ก็ได้ถ้าอยากจะบรรลุอย่างรวดเร็วภายในเจน7วันเจเดือนและเจปีก็ต้องไปบวชไปอยู่แบบนัก บ, บวชจะได้ปฏิบ100ัติร้ยเเซ ปฏิบัติตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาจนกระทัง่งหลับก็ฝึกสติสมาธิปัญญารักษาศีให้บริสุทธิ์ไปแล้วก็จะถึงขั้นโสดาขั้นสกิทาคาอนาคาอราหันไปตามลำดับคําำถามจากคุณ น, น้ำครึ่งแก้วธรรมชาติหลวงตามหาบัวบอกว่าทุกย่อมไม่มีแก่ผู้ไม่เกิดคือเกิดนี้คือเกิดแบกหามกองทุก ข้าพเจ้าก็คิดเช่นนั้นว่าการเกิดมาในชาตินี้เหมือนมาแบกหามกองทุกข์จริงๆอยากบอกพระอาจารย์สุชาติเจ้าคะ่ะพระอาจารย์อยากจะบอกอะไรใหม่เจ้าคะไม่รู้จะบอกอะไรบอกมาต้องชั่วโมงกว่าแนละ้วคําถามจากคุณนิวัตวัฒนาคุณนะคะคําถามเดิมแต่ขอเพิ่มคือภาวนาพุทโธไม่คิดว่าสงบหยุดคิดได้ เปลี่ยนมาตามลมที่ปลายจมูกถ้าต่อมาลมที่ปลายจมูกไม่ชัดนิ่งเบาตอนนั้นตามที่รับรู้รู้สึกใช่ไหมครับก็รู้เฉยๆถ้ารู้แล้วไม่คิดก็ให้รู้เฉยๆไปให้รู้อยู่กับความว่างไปอย่าไปคิดถ้าคิดก็ต้องหยุดความคิดต่อไปคำถามจากคุณน้ำครึ่งแก้วอะไรที่ทำให้พระอาจารย์ออกบวชเจ้าคะ พระอาจารย์โชคดีมากที่ได้มีครูบาอาจารย์เก่งๆอย่างหลวงตามหาบัวพระอาจารย์ทุกเรื่องอะไรบ้างตอนที่ยังไม่ได้บวชเจ้าค่ะสาธุูโอไม่ทุกหรอกเพียงแต่ศรัทธาหลังจากที่ได้ศึกษาพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าเราก็รู้ว่าไม่มีอะไรดีเท่ากับการศึกษาปฏิบัติตามคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าก็เลยตัดสินใจศึกษาและปฏิบัติจนในที่สุดก็ได้บวช คำถามจากคุณตุม๋มกราบเรียนถามพระอาจารย์ครับเราสามารถสร้างบุญกุศลก่อนนอนได้หรือไม่ครับและมีวิธีใดที่จะสามารถสร้างได้บ้างครับกุวลมนไงก่อนจะนอนก็สวลมนแล้วก็นั่งสมาธิไปก่อนเจ mm hmm. ้ า, ากระทั่งเจ้ากระทั่งอยากจะนอนก็เอนนอนแล้วก็ ก็ดูลหมหายใจต่อไปเนื้อสวดพุดโทโธพุโทโธต่อไปจนกว่าจะหลับคําถามจากคุณแพตตี้การที่จะพิจารณาได้ต้องผ่านการทําสมาธิถึงอัปปนาสมาธิเราค่อยถอนออกมาพิจารณาเสมอไปหรือไม่เจ้าคะเราสามารถพิจารณาทําให้เข้าใจจนจิตสงบแบบปัญญาอบรมสมาธิได้ไหมคะเพราะปัจจุบันยังไม่สามารถทําสมาธิจนถึงขั้นอัปปนาสมาธิเลยเจ้าคะ่ะ ก็อยู่ที่ความสามารถของเราทางปัญญาว่าเรามีความสามารถคิดเพื่อให้จิตสงบได้หรือไม่ mm hmm. ถ้าเราสามารถคิดไปในทางใตรับได้จิตก็จะสงบได้เพราะฉะนั้นอยู่ที่เรา mm hmm. แต่ส่วนใหญ่การจะใช้ปัญญานี้ท่านต้องใช้ตามที่เวลาจิตมีความทุกข์เพราะปัญญานี้เป็นเครื่องดับทุกข์เช mm hmm. ่นจิตกำลังทุกข์กับความสูญเสียของี คนที่เรารักไปไม่มีกจิตกระจายอย่นั่งสมาธิอย่างนี hmm. ้เราก็ต้องใช้ปัญญาพิจารณาว่าคนที่เสียนี้เขาก็เป็นอนิจจังไม่เที่ยงอนัตตา mm hmm. เราไปสั่งไปห้ามของไม่ให้ตายไม่ได้เมื mm ่อ hmm. เขาตายก็ต้องยอมรับความจริงปล่อยเขาตายไปอย่าไปอยากให้เขาไม่ตายหรืออย่าไปอยากให้เขากลับคืนมาเพราะมันเป็นไปไม่ได้พอ mm hmm. เราพิจารณาเห็นด้วยปัญญาแล้วความเศร้าโศกเสียใจ กับคนนั้นก็หายไปเราก็จะได้กลับมานั่งสมาธิได้อันนี้ใช้แบบนี้เรียกว่าใช้ปัญญาเพื่อดึงใจให้กลับเข้ามานั่งสมาธิให้ได้ไม่เช่นนั้นใจก็จะไปคิดถึงคนนั้นห่วงคนนั้น mm. คิดถึงคนนั้นเสีย อ, อกเสียใจกับคนนั้นที่เขาจากไป mm. คิดถึงอดีตที่แสนหวานอะไรไปต่างๆนานานกะ็ mm. ไม่มีกระจิตกระจยที่จะมานั่งสมาธิ เห็นก็ต้องสอนใจว่าเขาไปแล้วเขาไม่เที่ยงห้ามเขาไม่ได้ดึงเขากลับมาไม่ได้แล้วไมนั่งคิดก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรพอใจเห็นได้ปัญญาก็หยุดคิดหยุดคิดถึงเขาได้ก็จะกลับมานั่งสมาธิได้คำถามจากคุณตุมการทำประโยชน์ให้กับวัดและสถานที่ต่างๆเช่นกวาดขยะถูพื้นล้างห้องน้า และอื่นๆเฉอว่าเป็นการทําบุญสร้างกุศลด้วยหรือไม่ครับเป็นเป็นอีกแบบหนึง่งคือบุญไม่จําเป็นจะต้องทํำด้วยเงินทองทําด้วยกายวาจาใจก็ได้ถ้าเรามีเวลาว่างเราก็มาทำาประโยชน์ให้กับสาธารณะวัดโรงเรียนหรือที่ไหนก็ได้เก็บขยะข้างถนนนี่ก็ได้ทําแล้วก็ถือว่าเราได้ทําบุญสร้างกุศลขึ้นม า, าสุดท้ายนะ คำถามจาก y o u t u b เจค่ะจากคุณลมเลอร์นิ่งอยากฟังเรื่องสังโยชน์ข้อที่สมครับอ่านเองแล้วยังมีง ง, งอยู่บ้างครับสังโยชน์ข้อที่สมเะค่ะศีลพัตนปรามาสก็ท่านแปลว่าการลูกคำศีลคือการยังไม่เห็นว่าศีล น, นี้เป็นของที่สำคัญของที่จำเป็นถ้าบรรลุเป็นพระสุดาวันแล้วจะรู้ว่าถ้าทำบาปแล้วจิตใจจะต้องลงต่า จิตใจจะต้องไปเกิดในอบายดงั้นพระโสดาบันก็จะรักษาศีลยิ่งกว่าชีวิตไม่ลูกคำในศีลไม่สงสัยว่าศีล น, นี้มีประโยชน์อย่างไรเพราะรู้ว่าศีล น, นี้เป็นเครื่องป้องกันจิตใจไม่ให้ลงต่ำไม่ให้ไปเกิดในอบายนั่นเองก็จะละศีลัะพระตาปรมาสได้นี่ก็คิดว่าหมดเวลาทอดี